3. เพสัตชะสิกขาบท 46. ถามทรงบัญญัตินิสักคียปาจิตตีแก่ภิกษุผู้รับประเคนเพสัตแล้วเก็บไว้เกินเจ็ดวันณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัตินักรุงสาวัตถีถามทรงปรารพใครตอบทรงปรารพภิกษุหลายรูปถาม